ซีเรียเรื่องเทพรักกับคนตัดฟืนสองตายายอาศัยอยู่ชายป่ามีอาชีพตัดฟืนขาย ต่อมาเผาทานขายอีกด้วยต้องคอยหลบหลบซ่อนๆเจ้าหน้าที่เพื่อลักลอบตัดไม้ในป่าที่ทางการห่วงห้ามซึ่งวันนี้ตาและยายเข้าไปตัดไม้ในป่าลึกซึ่งอุดมสมบูรณ์อยู่ใกล้ๆลำธารขณะที่ตากำลังตัดไม้นั้นได้ทำขวานหลุดมือตกไปในลำธาร น, นั้น ทั้งตาและยายว่ายน้ำไม่เป็นจึงไม่กล้าลงไปงมก็โ บ, บานสารกล่าวขอให้เทพรักษ์เจ้าป่าเจ้าเขามาช่วยบัดดลเทพรักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นแล้วลงไปงมขวานในลำธาร น, นั้นมาให้เล่มแรกเอามาส่งให้เป็นขวานทองคำให้กับตายายทั้งสองคนปฏิเสธไม่รับ เพราะไม่ใช่ของตนครั้งที่สองเทพารักษ์งมเอาขวานเงินมาส่งให้อีกตาและยายก็ไม่ยอมรับบอกว่าไม่ใช่ของตนเทพารักษ์จึงไปงมขวานเหล็กของตาขึ้นมาให้ทั้งสองดีใจรับเป็นของตนเทภารักษ์เห็นความซื่อสัตย์ของตาและยายจึงมอบขวานทั้งสามเล่มให้ตายายไป และบอกว่าขวานทั้งสามเล่มนั้นเอาไปคว้างออกจากมือเอ่ยปากจะขออะไรก็ได้ตามปากพูดถ้าเอ่ยปากช้าไปขวานตกดินจะไม่ได้อะไรเลยดังนั้นแต่ละเล่มจึงจะขอได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นตาและยายเมื่อรับขวานนั้นมาแล้วเดินทางกลับบ้าน ซึ่งทั้งสองได้นึกกันไว้ต่างคนต่างนึกไม่มีการปรึกษาหารือกันเลยเดินทางเหนื่อยเข้าตาคิดอยากได้รถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางกลับบ้านจึงเวี่ยงขวานเล่มแรกฝ่ายยายก็แย่งอยากจะเป็นคนคว้างไปเองดึงกันไปดึงกันมาเผลอขวานทองเล่มแรกหลุดมือ ก็พโล่งปากออกไปว่าเอามังเงกเธอปรากฏว่ามังเงกติดเต็มหน้าเต็มตัวตาไปหมดตายายตกใจมากแม้ว่าถ้าทั้งสองร่ำรวยต่อไปแต่ถ้าหน้าตาของตาเป็นอย่างนี้ก็อายคนเขาแย่จึงจัดการแบ่งขวานที่เหลือคนละเล่มตาเวี่งขวานออกไป และปากพูดว่าขอให้มังเหกออกหายไปจากตัวตาให้หมดปรากฏว่าหายไปจริงๆแม้แต่มังเหกสองข้างของตาเองก็พลอยหายไปด้วยยายเห็นดังนั้นจึงเหวี่ยงขวานที่เหลือขออันเก่าของตาคืนมาดังนั้นมังเหกสองข้างของตา กลับมาอยู่ที่ตาดังเดิมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคิดงานสิ่งใดควรได้มีการวางแผนให้รอบครอบก่อนจึงค่อยลงมือทา